บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่ามาแล้วมันไม่ได้ผลเท่าไหร่เพราะไม่ศรัทธาความคิดนะค <c oughs> ือพูุทธทําในี่จริงสศรัทธาก็ได้ไม่ศรัทธาก็ได้มาแล้วก็ขอจะขยันทำเท่านั้นพอขยันทำคนเรานีมน่มันมีสามัญสามัญเหยืยน่นคือคนเราไม่อยากเป็นทุกข์ คนเราไม่อยากเป็นทุกข์พอมาแล้วจิตมันปรุงแต่งมันคิดมันอะไระต่างๆฟุ้งซ่านขึ้นมามันก็มีทางเดียวคือต้องทำตามพุทธโววาทที่พุทธเจ้าท่านสอนไว้ถ้าไม่ทำตามนั้นมันก็ทุกข์ั้ีไม่ศรัทธานี่อาจจะเป็นเรื่องข้างนอกเรื่องไหนก็ตามแต่ว่าโดยจิตสำนึกของมนุษย์คือมันไม่อยากทุกข์พอมาแล้วมันก็ต้องหาวิธีการแก้ทุกข์ วิธีที่แก้ทุกข์ที่เป็นเป็นเป็นปรามัติสัจจะจริงๆก็คือกันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความรู้ตัวทั่วพร้อมทนี้ถ้ามีสติรู้สึกตัวทําให้จิตมันว่างจยากมีค่าเป็นบวกเป็นลบ ก, ก็ให้มาอยู่กับศูนยนะ์ใจก็อยู่กับความปกติมันก็ไม่ทุกข์ตรงนั้นนะนั้นมีใครบ้างที่อยากเป็นทุกข์เกิดมาเนี่ยมันไม่มีแต่ละคนนีไม่อยากเป็นทุกข์เพียงแต่ว่า ม อ, มองชีวิตที่เราอยู่ตามสมมุติเนี่ยมันทําให้มองมองเห็นภาพของความไม่ทุกเนี่ยผิดไปบางคนมองว่าความไม่ทุกคือความสนุกเงี้ยบางคนมองภาพของความไม่ทุกคือความร่ํารวยความมีสิ่งของความมีอะไรหลากหลายแต่ถมันถามว่าถูกไหมมันก็ถูกอยู่แต่ถูกน้อยมันไม่ตรง เขาเรียกว่ามันไม่ใช่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นนะั้นมันไม่ตรงมันจะอ้อมบางอะไรบ้างยังหลายๆคนนะเราเห็นว่าพยายามแสวงหาเงินทองเข้าของมีพร้อมแล้วมันก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของชีวิตว่าความไม่ทุกข์นะัมันคืออะไรก็ยังต้องได้แสวงหาอีกให้หลา ย, ลายคนมียศถามราศัก <c oughs> ยกตัวอย่างอย่างเช่นในหลวงเนี่ยในหลวงเราก็ท่านจะมีความสุขนะท่านจะมีหลายอย่างแล้วแต่ในความมีนะั่นเป็นเรื่องสมมุติมันก็เลยเป็นทุกข์อยู่ในหลวงเรารู้ไหมว่าท่านมีสำนักสงฆ์นะที่อยู่ข้างในเนะี่ยสำนักสงสวนจิตรดาพระกรรมฐานเขาจะเวียนกันเข้าไปคือท่านเดินจุกกมท่านทำานไปท่าถือศีลด้วยปฏิบัติ ด, ดีในหลวง ขยันทรรมพอแก๋ๆมาหน่อยเดี๋ท่านไมป อ, อยู่กับความฟุ้งซ่านท่านไปอยู่ใกล้นอนตั้งชื่อที่อยู่ว่าไกลกังวลแล้วใ น, นอยู่พระราชาวังไกลกังวลท่านก็ขยันที่สวนจิตรดาจึงมีสำนักสองสำนักปฏิบัติธรมรมรกรรมฐานเขาล้มปู่นั้นล้มปู่นี้ก็จะเข้าไปดังนั้นคําตอบของชีวิต ห, หลายๆคนนะ ที่แสดงความสุขความสุขนี่มันมันมีรากฐานออกมาจากความเข้าใจชีวิตว่าจริงๆชีวิตนี่มันคืออะไรถ้าชีวิตคือความว่างชีวิตคืออนัตตา <c oughs> ชีวิตคือสุญญาตาชีวิตคือคือตถตาเนี่ยคือมองตัวอย่างว่าเป็นโสนทองตัวอย่างว่าเป็นเช่นนั้นเองความทุกข์ก็ไม่เกิดกับเราแต่เนื่องจากว่า ชีวิตเราผ่านการเวลาผ่านผ่านมรสุมผ่านเมฆหมอกที่มันปกครองชีวิตหนาจนกระทั่งว่ากลายเป็นนิวร์เรามองย้อนกลับเข้าไปคําไม่เห็นชีวิตที่มันเป็นศูนย์เป็นอนัตตาเป็นเรตะตานี่แต่เห็นมันเป็นตัวตนมีแต่รูปรสกลิ่นเสียงที่จะอำนวยความสะดวกความสุขความสบายกับชีวิตเราเราก็เลยสแสวงหาพวกนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันตื้นต้องแกะพวกนี้ออก ยังเรามาอยู่วัดเนี่ยอยู่กินน้อยนอนน้อยอยู่ตรงนี้นะปฏิบัติมากแล้วเราก็แสวงหาแสวงหาคำตอบของชีวิตคือความสุขอีกแง่มุมหนึ่งสวงหาคำตอบอีกแง่มุมหนึ่งว่ามันไม่มีอะไรเข้ามาแล้วความทุกข์ความสุขจริงๆในมันเกิดตรงไหนเนี่ยบางทีเราก็มาพิจารณาดูชีวิตเราว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีทุกอย่างเลย ควสุขมีทุกอย่างสิ่งของก็มีทุกอย่างแต่ทําไมมันไม่มีความสุขทําไมยังมีปัญหาอยู่มันเกิดที่ตรงไหนแล้วก็อาศัยกัลยาณมิตรผู้ที่เขามีประสบการณ์มาบอกกล่าวที่แน่ว่าอย่างที่เขาบอกนะทุกทั้งหลายเกิดที่ใจเกิดที่ใจเนี่ยเราลองมาไม่ยอมรับขบคําเนี่ยหรือยังไม่ยอมรับน่ยแต่มาสมาทานปฏิบัติลองดูศึกษาดูมาเฝ้าดูโดยอาศัย สติปัฏฐานสูตรเป็นสูตรของการปฏิบัติอาศัยกรรมฐานอาศัยหลักของทุดงขวัตเนี่ยทุดงขวัตคือการทำสมาทานองคุณธรรมที่ทำได้ยากเป็นเรื่องของการขัดเกลาจิตคือแต่ก่อนมันเคยเคยสะดวกเราท่องให้มันไม่สะดวกลองดูดิ แล้วมันทุกเนี่ทุกจากความไม่สะดวกไหมมันก็ไม่ได้เกิดจากความไม่สะดวกนะทุกนี่ไม่สะดวกก็เอ๊ยรู้สึกว่าอยู่ได้หนาวก็อยู่ได้ร้อนก็อยู่ได้หิวก็พออยู่ได้แต่ปัญหามันอยู่ที่ที่ความคิดนะ่ยที่ความคิดความปรุงแต่งสิ่งแล้วเนี่ยมันกลับเป็นปัญหาของชีวิตเวลาเรามาเฝ้าดูจริงเอ้ปัญหาชีวิตนี่แก้ได้ด้วยอะไรแก้ด้วยสติสัมปชัญญะแก้ด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อม พอเราพัฒนาดูเอมันใช่จริงๆเนะี่ยยิ่งมีสติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความทุกข์ความปรุงแต่งอุปาทานทั้งหลายก็เริ่มเสื่อมไปสลายไปเริ่มลดลงลดลงลดลงที่นี้ชีวิตที่เหลือเนี่ยแทนที่เราจะทุ่มเทให้กับการวิ่งตามความอยากความคิดมันก็ไม่ละเอาอยากที่ผ่านมาก็พอละที่เหลือนั้นก็มามุ่งเน้นกับการอยู่กับปัจจุบันธรรมการมุ่งหาสัจธรรมสัจธรรมในตัวเอง เพราะแต่ละคนก็มีสัจจะอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ค้นหาธาตุเน่ยความเป็นคนจริงแห่งธาตุเน่ยสัจจะสัจจะมันก็มีหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวก็คือ ค, อความความไม่ทุกข์ความดับความเย็นความปกติที่ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งเราเรียกว่านิพานนะั่นแหละงนั้นเราทั้งหลายเกิดมานี่ถือว่าโชคดีมาก <c oughs> ที่เราเน้นนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยเพียงแต่ว่า ขบวนการของการเรียนรู้ชีวิตหรือการสมาทานถือปฏิบัติเนี่ยมันยังน้อยไปบางทีนี่เรามาทำเจ็ดวันนี้อาจจะน้อยไปสาหรับการเดินทางเส้นทางสายเนี่ยเราก็มาเพิ่มกันอีกกลับไปอยู่ที่บ้านเ <c oughs> พราะเราถือว่ากายกับใจอันกว้างสองยาวานาคืบนี่เป็นโลกหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งการศึกษาความสุขความทุกข์เกิดเพราะเรามีความยินดีพอใจในโลกอันนี้ แล้วจึงมาเรียนระเบียบวินัยทางธรรมที่เรียกว่าปรามัตถวินัยวินัยยโลกีอภิชาโทมนัสซั่งเอาความพอใจความไม่พอใจนี่ยความพอใจและความไม่พอใจเนี่ ย, ย, มม เ, ยเป็นทุกพอใจกับโลกกันนี่แต่การที่เรามีสติถือว่าเรามีวินัยแบบปรมัตว์นี่วินัยที่จะเอาทุกออกจากใจนี่ดังนั้นคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจึงไม่เรียกว่าคนมี ระเบียบชีวิตเขาจริงจะเป็นว่ามีสติสมาธิปัญญาคนปฏิบัติธรรมนะเขาจะไม่มีศีลนะเขาไม่ได้เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าค า, ารวาสนี่เขามีศีลมีข้อวัดมีระเบียบมีอนะไแต่พระนี่ <c oughs> เขาใช้สติเป็นศีลพวกโยคีโยคาวจรที่ปฏิบัติธรรมใช้สติเป็นศีลสติสมาธิปัญญาถ้าพัฒนาสติก็การเป็นสมาธิพอจากสมาธิก็ นำไปสู่การเกิดปัญญาเพื่อการขัดเกลาจิตตัวเองตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเขาถือว่าเป็นหลักของพุทธธรรมคือธรรมที่ทําให้มันรู้ตื่นเบิกบานทำมาเนี่ยถ้าเราสามาทานปฏิบัติทำแล้วทาให้เกิดการรู้ตัวทั่วพร้อมทําให้การตื่นเบิกบานถ้าทำชนิดใดที่เป็นไปเพื่อการสร้างสังขารเนี่ยทำมนั่นจะเป็นไปเพื่อไสยศาสตร์ ใส่ยแปลว่าหลับแปลว่าดำแปลว่างมงายมันงมงายนะมันหลับมันมืดมืดบอดยิ่งสมาทานทั้งหลาจิตเราก็ยิ่งมืดยิ่งถูทับทนมากเท่านั้นดังนั้นพุทธธรรมไม่ว่าจะวิธีการไหนก็ตามทําแล้วทําให้จิตมันรู้ตื่นเบิกบานแต่ก็มีวิธีการเดียวหนะนะคือวิธีการรู้ตัวมีสติเฝ้ามองชีวิต ชีวิตมีองค์งประกอบคือกายกับใจแล้วก็มาเฝ้าดูกายกับใจเพราะทุก์เกิดที่กายกับใจนี้เราไม่ต้องไปศึกษากับตำรับตำรากับครูบาอาจารย์ที่ไหนถ้าเราปฏิบัติทําเราเข้าใจแล้วจะหายสงสัยแล้วก็มองมาที่ชีวิตเราเลยเฝนะ้าดูไม่ต้องไปวัดไม่ต้องไปทำไปหิวไปนู่นไปนี่นะแต่ว่ามองมาที่ชีวิตเราเลยเราอยู่ที่บ้านก็มองที่บ้าน แต่ก็ต้องเกิดจากความเข้าใจจริงๆนะถ้าไม่เข้าใจก็ต้องไปปรึกษาต้องมีกระรยาณนะมิตรมีอะไรแต่พอเราคิดว่าข้อมูลนี่มันมีพออย่างนั้นทั้งหลายทั้งปวกเนี่หลายคนเนี่มีนะข้อมูลมีพริกมีมะเขือเกลือพ ร, รามีมดรู้จักเคยไปวัดไปว่าเคยทําวัดสวดมนเคยไปหาพระอาจารย์นั่นี้หนังสือธรรมะธรรมโอก็เต็มบ้านทุกอย่างมีเรียบร้อยแต่ถามว่าเคยเอามาปรุงกินไหมถาม เครื่องปรุงมันมีอยู่แล้วแต่เคยเอาลงหม้อไม่เคยปรุงไหมไม่เคยปรุงพอไม่เคยปรุงมันก็ไม่ได้กินรสมันเสียทีแต่เวลาคนพูดก็เหมือนเข้าใจน้ําตาลฉันก็มีเกลือเกลื อ, อปลาผงชูรสฉันก็มีก็มีหมดแต่ไม่เคยปรุงก็เคยปรุงก็ไม่เคยทำรสงั้นเราเกิดมา พ, พิศาสนาเนี่ยบุญเราก็เคยทํากรรมเราก็เคยสร้างทําทุกอย่างเขาเถยะ ท, ทาบุญผ้าป่ากระถินทําอะไรทหมดไปฟังเทศฟังธรรมก็ไป แต่ว่าการปรุงเนี่ยคือการเจริญภาวนาคือการเฝ้ดูชีวิตเนี่ยเราไม่ได้ลงทุนด้วยขนาดนั้นนั้นคําตอบชีวิตมันจึงไม่ชัดเจนเนะี่ยสุขสุขทุกทุกเราจะมาพึ่งแต่บุญกุศลกรรมเก่ามันก็ไม่พอกรรมเก่าที่ได้ผ่านมาก็คือคือใจที่ดีๆเนี่ยมันมีน้อยนะทานละไมเสียละไมาภาวนาไมาปาทานุโมทนามายัยอะไรมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่ามันน้อยมันไม่พอเพราะว่า เราเดินทางไปข้างหน้ายิ่งไปที่ที่ทุระกันดารแห้งแล้งไปเรื่อยๆ <c oughs> คือต้องอาศัยสเสบียงค่อนข้างใหมากนี <c oughs> เ่เราไปเจอ ร, รถลดกลิ่นเสียงเจอการงานที่หนักขึ้นเจอคนที่อารมณ์ไม่ค่อยดีเนี่ยเราต้องอาศัยสเสบียงต้องออกกําลังแม่นั้นมันก็หมดลงหมดลงเร่อยหลอลงทุกวันทุกวันนั้นวันวันหนึ่งถูกกระทบจึงมีแต่ไฟเผาเราเพราะ อะไรเพราะว่าในเบื้องต้นคือเราไม่เข้าใจไม่เกิดสัมมาทิฏฐิในชีวิตที่จริงจังถ้าเข้าใจสัมมาทิฏฐิจากไฟร้อนก็จะกลายเป็นไฟเย็นหึือวาเป็นไฟตะบะแพดเขากิเลสัณหาเราได้เราก็ไม่ทุกนะมีชีวิตอยู่เหมือนคนอื่นเขาทําอะไรเหมือนคนอื่นเขามีการมีงานเหมือนเขาบางทีอาจจะมีภาระหนักกว่านั้นด้วยอย่างพระสงฆ์พระเจ้ามีภาระหนักมันมีที่ไหนบ้างเน่ะพาคนตื่นตีสาม จังวันกับเดิมตัวกรมทํมทาความเพียรทานอาหารก็ในน้อยเลือกเอาก็ไม่ได้ต้องให้กินอะไรก็กินไปไม่ให้กินก็ไม่ได้กินตอนเย็นก็ น, นอนสามทุ่มสี่ทุ่มอะอย่างนี้ทุกวันวันภ า, าล่าหนักไหมถือว่าหนักนะหนักในการมาแบกรับสังคมเนึ่แต่ว่าทํางานได้ไหมงานได้เพราะถ้าสมมติเราพัฒนาชีวิตเราเองเราคิดว่ามันไม่มีอะไรชีวิตเนี่ยมันกลับกลายว่าชีวิตที่มองโลกแบบตระทตาแบบอนา ต, ตาแบบสุนเตชาเนี่ยกลับการเป็นชีวิตที่มันมีคุณภาพ ชีวิตที่มีคุณธรรมความอดทนมันมีความปล่อยวางมันมีสติมันมีสมาธิมีเมตตามีอะไรนี่ที่เป็นความเยือกเยื้อแสวงาโดยที่ไม่หวังอะไรจากคนอื่นเนี่มันจะทํางานได้ดีกว่าอยาคนโอ้ไม่หวังอะไรมนะันจะมีความกล้าหาญมีประสิทธิภาพในการทำมันดีกว่าคนไม่หวังเลยเนะี่ยทำอะไรดได้ดีแค่ทําได้ตรงสัจธรรมโดยมันก็สร้างประโยชน์กับคนกับสังคมกับลูกกับเต้ากับเรากับหลานกับอะไรต่อเราจน ประเทศชาติาศาสนาสังคมโลกอันนี้คือเราเริ่มจากเราแต่เป้าหมายคือการสร้างสันติภาพให้กับโลก